อย่างสกอาระอย่างคาระวะอย่างการขทรบตน่องตนเก่ผู้ใหญ่ยยเป็นมงคุลนั้นเลิน่นวันนี้ถ้ากถึงเป็นก่อนเคยเป็นสิเยรุสิทธอันนี้เคไปจำครรษาแล้ไปอบรงอพอปฏิบัติพอสมควรบัดนี้ทำประจากัา์หรือมันลายครรษาแล้ว ขึ้นงมาพบทันษานี้อาจะมามันจะ ม, มีเรวเ่องไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงที่นั่นจึงหลบมาอยู่บกบุภูเขานี้เพื่อได้รับอากาศบริสุทธทิ์ตัดทันษารทีะนั่นยากโยง หลานไม่ฟังหลายใจเยี่ยงก็ไม่ได้ทดลองจิทตาอย่า ง, งที่ที่เพราะว่าเสียงมันก็จะหมดแล้วลมมันก็จะหมดแล้วน้อยอ น, นี่ินเป็นบุญเพาะโยมท่านไหนมาเห็นตัวเห็นตนนั่ ง, งนี่ดีแล้วต่อไปมันจะไม่เห็นแบบ ล, ลมมันก็จะหมดเสียงก็จะหมดมันหมดนี่ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารที่พระภูมิพระพระาแตนสอนว่าไหยะไวยังในความชิ้นไปเสื่อยไปแห่งสังขารเสื่อมไปโดยยางไงเนาะเปรียบมีความเหมือนเหมือนก้อนมังแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้ำเท่ามาทำมันเป็นก้อน แต่มันก็ไม่อยู่สักกี่วันแบบมันก็จะเสื่อมไปแล้ก้อนมางแข็งใหญ่ๆเขาเทฟที่ไปวางทางแกล้งจะรูความเสื่อมของก้อนมางแข็งตรงเหมือนช้งขาเนี่ยไม่นานมันแข็งมันเป็นพ่อมันก็เสื่อมไปทีละน้อยๆแต่แน้อยไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงก้อนมางแข็งก็หมดมันละลายเป็นน้ำไปนี่แบบไหยะไว้ยั่ง ความชิ้นไปควมเสื่อมไปแห่งสังขานเราทั้งหลายอืมเป็นมาสั้งแนานแล้วตั้งโลกมีมาตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่ว่าเราทิ้งมันไปที่ไหนหรอกเราเก็บเอาความแก่ความเกิดแลก็เก็บเอาความแก่แล้วก็เก็บออกกกเบอาความเก็บความตายไปพร้อมกันอืมดังนั้น องสมเดชพระจันมาสัมภูตธเจ้าจทา่านก็ตัดไปว่าไยไยักม์ยยังความสิ้นไยเสื่อมไปทั้งหมดเรานั่งอยู่บนศาลานี่นะ่ะทั้งหมดทั้งพระทั้งเนนทั้งอุวาสุกอุวาติกานี่มีก้อนเสื่อมฉะนั้นเนี่ยมีคือก้อนแข็งไม่ใช่นี่ก้อนแข็งแต่ก้อนมันเป็นน้านั่นอืมมันเป็นก้อนแข็งเนี่ยมันก็เสื่อมไปอืมเห็นความเสื่อมมันนะ้ะ ตัวการที่มันเสืออ่มอมจริงร่างกายของเราีทุกสว่นสวนเสื่อมผมมันก็เสืออ่อมไปขนมันก็เสืออ่อมไปเล็บมันก็เสืออ่อมไปหนังมันก็เสืออ่อมไปอะไรทุกอย่างมันเสือ่อมเสืออ่อมไปตรงนั้ญาติโยมทุกคนเมื่อทางแยกคงจะไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งนะคงจะมีตัวเด็กคนนี้ นี่มันโตขึ้นมานี่แล้วมันจเจริญขึ้นมาต่อไปนี้มันก็จะเสื่อมเสื่อมไปตามธรรมชาตินั้นเสื่อมไปเหมือนก้อนน้ำแข็งมีนเสื่อมไปเสื่อมไปประมุดก้อนน้ำแข็งมันก็กลาเป็นน้ำเรานี้่เหมือนกันทุกคนมีดินมีน้ํามีไฟมีลมเมืม่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมสร้างขึ้นเรียกว่าพล เริ่มไม่รู้ว่าเป็นอะไรือเล่านี่อยาจะเป็นคนเราปรีอปรีใจนี่ว่าเราเป็นคนอืมเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงอืมสมมุติชื่อไงนายนั่นนาย น, นี้ตามเรื่องเพื่อจะเรียกตามภาษาเองเรานะเพื่อจะจํำง่ายใช่การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่เอาอลายเอาดีหนึ่งเอาหน้าหนึ่ง อารมณ์มันมาถูกกันภเป็นรูปสิ่งที่เป็นมาถูกแต่เป็นรูปสิ่งไม่เป็นมาถูมกมากกวเป็นนาม้ำเกี่ยวกับคนโยมอย่าเพิ่งดีใจนะดูไปดูมามันมีคนอกขนะวนีสว้ส่วนหนึ่งน้ำสว่วนหนึ่งอารมณ์ส่วนหนึ่งไฟสว่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนแขง ปวดเนื้อปวดหนังปวดกระดูทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นดินอาการที่มันเหลวๆเนีเย่ยตามสภาพร่างกายขอ ง, นงนนหนึ่งของติน้ำอาการที่มันโผล่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอย่างแบบควายดินน้าไปอาการที่มันพัดไปมาอยู่ด้วยลมในร่างกายของเรานี้ อรมพัดขึ้นเมืงองบนพัดลงเมืองต่ำเรียกว่าโรมทั้่างสี่ประการนี้มาคุมกันข้าเรียกว่าค น, <c oughs> า ค, นคนก็เดี๋เป็นผู้หญิงผู้ชายอีกมีเครื่องหมายตามสมมติของเราแต่อยู่วัดป่าพงไม่มมีผู้หญิงผู้ชาย เป็นนักปูมสตวริงมาเจ็บอีกทีริง้งไเจ็บปูมีคือซากศพที่เขาเอาเนื้อออกหมดแล้วเอาหนังออกแล้วแล้วจะซากกระดูกโครงแขวนวันใไปดูก็ามาเห็นนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครจะถามแต่ น, นี่เป็นผู้หญิงกัอมองหน้ากันมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นอืมนะออกอแล้วแล้วเหีือวจะโครงกระดูกอืมเมื่อหนังออกหมดแล้วนั่นเลยหมดโครงกระดูก ไม่รู้พวกเราทั้งหลายสมารู้ทุกทุกคนไปวัดประพงศ์ก็ไปรวมก็ไปในสราก็ไปดูโครงกัูบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากสากระกลัวกลัวกลัวจะหอม อ, อันนั้นเข้าใจว่าไม่ไปเห็นตัวเราเองสักทีไม่เคยเห็นไปกลัวกระดูก ไม่ไม่นึกถึงคุณค่าของกะระดูกว่าเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกะระดูกคนจะเป็นไงจะเดินไปมาได้มั้ยพอไปลงรถถึงวัดประโณงแล้วพอไปดูโครงกะระดูกตัววิ่งออกจากสลาสดนี่ตัวโครงกะระดูกนี่สมมุติบางคนเราไม่เคยเห็นอืเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกัน นอนบอกอันเดจังไน่เคยเห็นตาไม่เคยเห็นโครงกระดูกนี่แสดงว่าเราลืมได้ไม่เห็นพอแก่แล้วห้ากี่ปีหกกี่ปีเจ็ดกี่ปีแต่เรามักจะตาทั้งสั้งตาโครงแขนโครงกระดูกตัวนี่อะไรกันเ่ยลูกแสดงว่าเรามีคุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวของเราเลย กลับไปบ้านก็ยังนอนไมหลับอยู่สอวันสี่วันแต่ก็นอนกับโค้งกระดูกแค่แหละไม่ใช่นอนทิ้งอยู่ตรงห่มผ้าผืนเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบดีโฟกข้าวด้วยกันแต่ก็ตกตัวนี่แสดงว่าเราห่างเหนินจากตัวเรามากท<ม>ี่สุดน่าสงสารไปดูแต่ย่างอื่นไปดูแต่เศษส่วนม้ไปดูแต่วัตถุอื่นๆ ว่าอันนั้นโตอันนั้นชั้นมันเล็กอันนั้นมันสั้นอันนั้นมันยาวนี่ไปดูแต่ของในมือมันสุกนอกจากตัวพวกเราไม่เคยมองดูตัวพองเราเลยนี่พัดภัดดวงพูดแต่แต่ละนาสงสารมันหมดเกันดังนั้นคนเราขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งที่ไม่เคยเห็นอาจจะมากะเคยบวชหน้าสังลายบะ เกศาโลมานาพาตันสาทัจโจนักศึก ษ, ษ, ษาคงนึกว่าหั ว, รวเราะวะที่ท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนมีไหมเอาผมที่มันมีอยู่แล้วมาสอนไม่ต้องสอนแลนะ้วผมรู้จักอืมเอาของที่รู้จักอย่างมาสอนให้ก็รู้มีใส่ใจสอน ไ, ไม่ทํามไมเพราะไมายอะไรเมื่อเกิดมาเรารู้ว่าผมมันมีอยู่แล้วอืม นี่คนนี้คนที่มันมืดมากในส่วนบาเรื่องนี้นี่พอเราเห็นผมอาตมาบอกว่าคําที่ว่าเห็นผมนะคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนแต่เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังก็เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นะไม่จะเห็นอย่างผิวเผินเห็นตามความเป็นจริงยังไง เราคงจะไปหมดผลอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงผมขนเด็บฟันหนังอืมอเป็นยังไงตามความเป็นจริงเป็นยังไงไห ม, มเป็นของสวยไหมเป็นของสอาดไหมเป็นของมีแฉมสารไหมไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไหมแต่เราคอยใจว่าไอ้ของ ของไม่สวยอะไรไห น, นไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเจสาโลมานะาาสตันตาสะโจเป็นกมคนนะคนเรามันก็ไปติดอยูน่นี่พระพุทธ อ, องค์สัญญกมาทั้งห้าประการนี้เป็นมูมลกรรมฐาน สอนในระหูจักสมาฐานทั้งห้าประการนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นตุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอืมเราเกิดขึ้นมากพราหลงนเนี่ยอันนี้มันเป็นของโศกโรคดูทีพวกเราไม่อาบนั่งกันสักสองวันที่เขาคายกันได้ไห ม, มเหม็น <c oughs> มันเหม็นทั้หมดนันแหละ เงออกไปไล่ไปนั่งทางานรวมไปดิเหม็นเอาสิเหม็นนี่หนึ่งไปบานไปอาบน้าเอาสูเอาสู อ, า อ, า อ, า อ, าออกหายไปนิดหนึ่งมันก็หอมสบูขึ้นมาไอตัวเหม็นมนตัวเม็นอย่างเดิมมันม น, น, มนั่นแหละมันไปปลาสดขึ้นมาท่านละกลิ่นสบูมันขมไว้ขมไว้ม่อวสูบูแล้ตัวเหม็นจางคืนนี่อันนี้เรามาไปเห็น เห็นลูกที่นั่งอยู่นี่อยูู้นก็มันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันจึงมันจ่ามันไม่แก่มันไม่เกลียมันไม่ตายล้มเพลินๆอยู่ในสุนทรโลกนี้ฉะนั้นจึงไม่รู้จักพึ่งตัวเองอืมตัวที่พึ่งของเราคือตัวใจของเรานั้นดูกายของนั้นเห็นชัดสรลาหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยโชคลา ใจของเราเป็นติดพึ้นจริงๆอท่านนี้ทางความดีเป็นต<ๆ>ิดพื้นเวลาหลังเนี้มันเป็นที่อาศัยนกที่รากมันก็มาอาศัยอยู่ทุกแกมันก็มาอาศัยอยู่จริงเรียนมาอาศัยอยู่อืทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอาศัยอยู่ได้เรานึก ว, ว่าของเรามันมีใจของเราหรอกมันอยู่โวยกาน นหนูมันออกมาอยู่สัตว์ประเพณีนี่เรียกว่าที่อาศัยเจาคราเรยอะกว่านี้ไป น, นะเยอะกว่านี้ไปจากนี้เราจะนึกว่าอันนี้เป็นที่เป็นที่พึ่ง ข, ของเราอืมนี่เป็นที่พึ่งของเราอืมคนมีบ้านหลังเล็กกพรเป็นทุกข์เพราะบ้านเราเล็กเข้าใจอย่างนั้น มีบ้านนังใหยายพอเป็นทุกข์พอปวดไม่ไหวตอนเช้ากระโจนตอนเย็นกระโจนให้จับอะไรบางคนนั้นก็ทิ้งรงนั้นมนนี้ก็ไครช่วยเก็บคุณหญิงคุณยายเนี่ยมันจะเป็นระกประสาคนที่ฉลาดกลัวทุกข์แค่นั้นพระพุทธจะองค์สันติสอนว่าให้หาที่พึ่งคือหาใจของเรา ใจของเราเป็นสิ่งที่สําคัญโดยมากคนเราไม่ไปมองดูในสิ่งที่สําคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่ไม่สําคัญไปทําที่อื่นให้มันสําคัญเป็นต้นว่าขวดบ้านปะมุ่นความสะอาดล้างจานประมุ่นความสะอืดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดเจ่ใจเ จ, จ้ของมันเคมุ่งเลยอืม ล่างจานล่างถ้วให้มันสะอาดใจใจเรามันเนา่าบางทีก็โกรธหน้าบูดบูดหน้าบุอยู่นั่นแหละก็ไปมุ่งจะให้จานมันสะอาดใจของเราไม่สะอาดเท่าไรก็ไม่มองดูนี่เราขาดที่พึ้นของเราเอาแต่ที่อาศายัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งในไรซะและ้วับอย่างให้มันสวยงามแต่ใจของเราไม่ค่อยจะแต่งเลย ทุกไม่พอใจมองดูมันใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นพระพุทธองค์กันจึงว่าให้หาที่พึ่งสังใจอัตโนโจทะยตนงังตนแดกเป็นที่พึ่งของตอนคนอื่นใครจะเป็นที่พึ่งน่ะคำที่ว่าเป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเราเองไม่ใช่ถึงพึ่งเชิงอื่นก็พึ่งได้แต่ไม่เป็นของแน่นอน เราจะพึ่งจิิงได้ก็เพราะเราพึ่งตัวของเราเราต้องมีที่พึ่งก่อนจะพึ่งครูจะพึ่งอาจารย์จะพึ่งญาติพิ่สายทั้งหลายเป็นต้นจะพึ่งได้ดีนั่นเพราะเราตั้งคำตัวเป็นที่พึ่งของเราเสีก่อนแทนไปขอพึ่งคนอื่นดังนั้นวันนี้ที่มากราบน้ำตารทางเรือข่ายเวันปริตทั้งหลายนี้ขอให้รับโอวาทนี่ไปพิจารณาเรา ทุกคนนี้ให้นึกเสมอว่าเราคือใครเราเกิดมาทำไมนี่ถามถามปัญหาเฉพาะอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมทีกถามเสมอคางคนไม่รู้นะแต่อยากแห่ความสุขแต่ใจนั้นทุกไม่หายรวยมันก็ทุก จนมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์เป็นคนโตมันก็ทุกข์ทุกข์มุกอกอย่าง ừ, เพราะอะไรเพราะมันขาดปัญญาขาดปัญญา ừ, เป็นคนจนต้นอทุกข์เพราะมันจนเป็นคนรวยก้อทุกข์เพราะมันรวยหลายของมากภาษาคนเดียว ừ, ừ, ừ, ในสมัยโบราณ อาจามากเคยเป็นสมณี น, เ, นเทศอะไรอะไรให้โยมฟังไอครูมาอาจารย์ในเพศอ<ม>ืมพูดถึงการร่ำรวยของพวกชาติอืมคนเราเกิดมาให้ร่ำรวยออืมให้มีทาสก็รลล้อยหนึ่งผู้หญิงก็ร้อยหนึ่งผู้ชายก็ร้อยหนึ่งมีช้างก็ร้อยหนึ่งมีวัวก็ร้อยหนึ่งมีควายก็ร้อยหนึ่งไม่ไปเสิียงอะไรร้อยเท่านั้นแหละญ<ม>าติโยมฟังก็บสบา ให้โยมไปเลี้ยงวัวสักร้อยหนึ่งเอาไหมเอาควายร้อยหนึ่งเอาวัวร้อยหนึ่งเอาพาดผู้หญิงร้อยหนึ่งเอาผู้ชายร้อยหนึ่งให้โยมรักษาคนเดียวนี่จะดีไหมนี่แล้วมันไม่ไม่คิดดูแต่ความอยากให้ว่ามีวัวสะกร้อยหนึ่งมีควายร้อยหนึ่งมีช้างร้อยหนึ่งมีม้าร้อย ทิ้งละล้อยละร้อยนั่งฟังกับผู้อิอ่มใจเรืเอรื่นเง้มันสบายนะเอออาจจะมาเห็นว่าได้ห้าสิบตัวพอแล้วอืมจะจะฟันเชือกบ น, นันนเต็มทีซะแล้ว อ, อืมอันนี้โยมม่คิดๆแต่ได้ไม่คิดถึงมันสิยากมันไปคิดเกี่ยวถึงมันมันบาดทิ้งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะถ้าเราไม่มีปัญญานี่นำให้เราทุกข์นะ ถาเรามีปัญญาเนะี่ยทําออกจากทุกขจ์จากตาหูจมูกลีรีใาใจตานี่มันใจของดีเหมือนกันนะถ้าเราใจไม่ดีเนะี่ยไปมองดูคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อยอู่แล้วไปมองดูคนบางคนเนรรักเขาอีกแค่แล้วรักก็เป็นทุกข์อีกแะแล้วมันไม่ได้กิดทุกเป็นทุกข์เกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์มันอยากได้อยากได้กด็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ อยากทิ้งมันไปที่มันไม่ชอบใจี่ของที่ไม่ชอบใจเราได้มามันก็เป็นทุกข์ของชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกแล้วมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงบ้านนั่งใหญ่ๆขนาดนี้นะก็นึกว่าจะให้มันสบายขึ้นจะเก็บความสบายเก็บความดีทาไว้ในี่ยที่ขึ้นไปนถ้าเราคิดไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงมองดูตัวของเราเราเกิดมาทําไม เราเคยได้อะไรสมงใบมั้ยอานจะมาเคยรวมคนแก่นัดสัง้งอายุแปดสิบขึ้นไปแล้วแต่อยู่ในระยะานหนึ่งเอาคนแก่มารวมกันโยมเกิดมาเทไลอะไร ร, รวมกันอาชีพทำนาตามบ้านนอกของเรามาทามาต่แต่นู่นเกิดมาสิบเจ็ดสิบแปดปีก็รีบแต่งงานซะรวมมันจะไม่รว้ทำงานถึงเ ด, เด็กเล็ก ม, มันมีรวย ทำมาทำมาจนแปดสิบ hmm. ปีคนนี้เก้าสิบปีคนี้เจ็ดสิบปีกนนี้หมดมมันแค่รู้มาฟังตามมาทโยมเจ้าอะไรไปไหมเนี่ยเกิดมาประมาทอยู่นี่เนี่ยผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมใครจะตั้งใจอะไรไหมที่มันจะรับไม่มีใครตอบใครยาอะไรไปนะไม่รู้จัก ตอบจังหวะจังหวจังหวะเนี่ยมีภาษาผนว่ากินบมืองว่าม้อน้ำควาัมหงว่ามันพิซคําคั่งจังวาน่แหละจังหวาดนี่แหละไปตก็รถไปที่อยู่ตัวอยู่นี่จังวัดตกลงในจังวัดจังวัานั่งงาอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คาทบไม่ไปที่ไหนเลยแแก่มาก็ยิ่งยุ่งเ้วกไปอยู่ไเป็นเจนหนุ่ม ลูกเกิดมาต่อเห็นว่ามันตัวเล็กต้เข้าใจว่าครั้งแรกมันอยู่คนเดียวเป็นโศดไม่สบายนะหาคู่มาครองเดือนมันจะสบายไหมตก็หาคู่มาครองเรือนเดี๋ยวสบายนะเอาขอสองอย่างมาด้วยกันมันก็กระทบกันอีกแล้วอยู่คนเดียวมันเงียเกินไปมันไม่สบายเอาคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันกระท บ, ะบ ก, กับกกบกกบกกนอีกแล้วกแกะก็แกะก็แกะก็แกะกันละเนี่ย ลูกเกิดมาครั้งแรกมันตัวเลนกๆพ่อแม่พอตั้งใจว่าเออมันโตมาเราจะสบายแลอกนี่อืมเลี้ยงมันไปเยอะเจอสามคนสี่คนห้าคนนี่แต่เี็กนี่ว่ามันโ ต, ม, นโตมันจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมันยิ่งหนักเลยมันจะแบกทนไม้ไอ้ท่อนหนึ่งเล็กๆท่อนหนึ่งใหญ่ๆ ยิงท่อนเล็กแล้วไปแบกเอาท่อนใหญ่เนึกว่ามันจะเบานี่ความคิดขนาดนี้ไม่รุ่นเครื่องในไปแบกเอาท่อนใหญ่ๆมันก็ยิ่งหนักกว่าท่อนมันเล็กไงลูกเราเกื้อมือมันโตกันมาขนานหนึ่งเด็กๆมันไม่กลัวในสกายรถยนต์มันป้อนถามกินข้าวกับขวดเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันถางมอเตอร์ไซค์มันถางรถเก๋งอืออะไรไอความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ต้องพยายามหา มันนิ่งกูไม่มียิ่ทุกแม่เห็นอะไรดีๆอยากจะชื่อมากินกันก็ดาบากกลัวมันจะหมดกลัวมันจะสิ้นเก็บเปินตะกุดตรงขอบตรงผิวอยูนะ่นั่นถ้าไม่ให้มันต้องเป็นลูก ล, ลับนี้บางทีพ่อกับแม่ทะเลาะกัอนอย่าเพิ่ชื่อให้มันเลยรถเนี่ยมันยังไม่มีไอความรักลูกต้องไปกู้คนไปยืมคนเข้ามาจะไม่อย่าง ต่อขึ้นมามันก็มีการศึกษาเราเรียนถ้าเอาการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันถ้ามันเรียนจบนี่มันไปอยู่สบายครับแต่เรียนมันจบไม่เป็นหรอกมึงจะจบอะไรมันเรียนไม่งเรียนจบหรอกพวเรียนสิ่งที่ว่ามันไม่จบมึงจะจบอะไรือเรียนมันไม่จบอะไรเราไม่มีเรียนจบเรอกทางพุทธศาสตร์นี่เรียนจบอืศาสตร์ทางนอกมันเรียนต่อ ต่อไปต่อไปในที่ให้ต่อเรียนในจบเอาไปมากันเลยวุ่นท่านั้นเนี่ยบ้านนึงเรียนต่างคนห้าคนตายพ่อและแม่นเน่ยทะเลาะ ก, กันไม่มีวันเว่นแล้วย่างนั้นยังไอความทุกข์อันนี้มันเกิดมาภายหลังที่เรานึกมันไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึงทถวแรกก็เียว่าโอ้รู้จักว่ามันทุกข์ ทุกอย่างนั้นก็เราเรายังมองเห็นยากทุกในตัวคนรนัยมน่ะเอาพูดตามภาษาบ้านนอกเขานาะเหมือนมันแข็งรานั่นเนาะอกไม่ออกสงายเนาะอืไปดางม้วนดึงววนอู้ดที่ทานไปอย่างไนี้ยเอามาทุ้มเนี่มันเท้าอืมไปหดบานก็ไปยิงสิเวียนนองรองนองบาหนาอย่านี้ทุบเข่าันเ้า ไปไปไปชอบกระดูเี่ยวของไม่รู้เรื่องอีกอายุพอหกสิบปีมันโยกตูวติมันโยกฟันมันโยกกัวิเออเอาดิแค่ไหนยกินข้าวหนังตามันไหลมันถูกสอกถูกเผาเขาทุกเวลาอืฟันมันมันเจ็บมันบวดมันทุกข์มันยากมันลาบากมีอาตมาภผ่านมาแล้วถอนออกหมดทีทนึมีฟันปลอมัน มันโยกมันมสบายสิบหกซี่ถอนทีเดียวเลยเก็บใจมันมง้อไม่กล้าจะถอนในสิบหกซี่ถอนนโยมถอนถอนเถอะมันเป็นตายจะามาจะรับรองอะไรถอนออกสิบหกซี่กองเลยืลยถอนที่เดียวแล้วเนี่ถอนมันออกไอ้ที่มันเน่แน่นอยู่หลายเรียเร่ยมเปนห้าเลี่ยมมันแน่นที่สุดอ่ะอืมแต่ว่ามันเต็มทีนะโยมนะถอนออกแล้วไม่ได้ทานข้าวกันข้าวอยู่สองสามวันมีแต่เลือดน่ มนถูกอาตมาตะกินนู่ยตั้งแต่ตก่อนเนาะเอาดิบไปไดิ้นงวดหวยเนาะเอาทานไปมาถูมันรักมันเหลื่อเรื่ว่ามันเป็นของดีพ้นที่สุดมันจะออกนี้จะเรากลับตาย <c oughs> เก็บตันเก็บฟันมาอีกตั้งหลายเดือนหลายปีใช่ยอืม <c oughs> วางทีมันรวม่ทั้งทางล่างทางบนหมดท่านในโยนนั่นอาตมาถึงพยายามถอนมันอันนี้คงจะเจอทุกคนเนาะ พวกที่ฟันยังไม่โยกอืเอาแฟลงไปไ ป, ไปแปลงมันอยู่ให้มันสาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังนะระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้าย <c oughs> ไอ้ชีดนี่มันยาวไอ้ชีดนี่มันสัน้นมันสลับกันดือนเนี้ทุกข์หลายโยะอันนี้ทุกข์มากอันนี้บอกไปหลอกบางทีจะไปเจอเอา ทุกไอ้ความทุกข์ในตัวของเรานี่คือตัวเราจะหาที่พึ่งอะไรมันไม่มีจะมันช่วยเราแต่เมื่อเรายังหนุ่มมันแก่มาแล้วมันก็ระเทราชังมันช่วยกันทําสั้างขันมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องไห้มันก็อยู่อย่างนั้นะเราจะดีใจมันก็มันอยู่อย่างนั้นเราจะเป็นอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเราจะเจ็บจะปวดเราจะเป็นจะตายมันก็อยู่เพราะมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันหมดความรู้แล้วมันหมดวิชาะ จะเอาเอาหมอฟันมาดูของฟันแก้ไขถึงแก้ไขแล้วก็หยุดยังไงต่อไปไอหมอฟันเองก็เป็นเมือนกันกับเราอีกแ่ะไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันต้องพังไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาเร่งรีบเมื่อมีกำลังเลี้ยวแรงเราพากันรีบจะจะทำบุญชุนทานจะทำอะไรตัวเขรงรีบทำกันจ้ะแต่ว่าโดยมากคนเราจะไปมอบเัาจะคนแก่ อยากเข้าวัดศึกษาธรรมเออให้มันแก่ซะก่อนโยมผู้หญิงของมันการโยมผู้ชายของมันการให้แกแ่ซะก่อนเธอไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนแก่มันมีกำลังดีไหต้องไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มดูสิทาไมจะไปมอบไอ้คนแก่คนแก่แบกไม่รู้จะตายพราแก่กันมาตังห้าสี่ปีหกสี่ปีจวนจะเข้าวัดอีแล้วหูตึงซะแล้วเอีหูตึงซะแล้วความจําก็ไม่มีซะแล้ว นั่งก็ไป่ทนซะละยายไปวัดจะโอ้ยหูฉันไม่ดีซะแล้วน่ะเห็นไหมแต่หูดีเอาไปฟังอะไรอยู่นั่นน่ะจังว่าจังว่าข้าจะบอกวาอยู่ฮันแดแต่ตอนนั้นจนหูมันหงวกซะแล้วจึงไปวัดแต่ก็ไปไม่ได้อืมไปนั่งไปนั่งฟังพระสันเทศไม่รู้สันเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วแล้วจึงทํากันนังน่งนัง้นวันนี้ คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจเป็นบางอย่างบางสิ่งควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมนรรกของเราทั้งนั้นแหละอยู่กับเราทุกคนทุกคนอย่างนี้เนี่ยทั้งพระทั้งเนรทั้งผู้หญิงผู้ชายเราอยู่นี่มันจะรวมมาจะรวมมาให้เราแบบนู้นขาเนี่ยเรามั น, มนเรามันวิ่งอะไรสมัยก่อนในกองอยังขาสมาเนี่ยโอ้ยจะเดินมันหนักเลยเนี่ย สกุลร่างกายเนี่ยจะต้องแบกมันแต่พอมันแบกเราบะที่เราแบกมันลุกขึ้นโอ้เห็นคนแก่ๆใช่ไหมเป็นเด็กคนแก่ๆลุกขึ้นบโอ้ยนั่งลุ่งอ้ยก็ยังไม่ยอมนะขนาดนั้นนั่นนุ่งอ้ยลุกขึ้นอุ้ยอ้ยทั้งนั้นเน่ยไม่รู้อะไรทําเราไม่รู้เรื่องนี่ไดโอุยโอ้ยอยทั้งนั้นเนีะมันทุกข์ทึกรนาดนั้นเรายังไม่เห็นเห็นโทษมันเมื่อเราจะหนีอยากมันไม่ไม่ไม่ไม่รู้จัก ปวดปวดถ้ามันเจ็บเป็นปวดถึงมาตัวนี่เนี่าสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันป้าเอ้ยมันเจ็บเนี่ยมันเป็นปนดงปนดงไฟปนดงขอปนดงหอปนดงที่ป้าทัหมอเอายามาใส่ันี้ก็ไม่ถูกผลที่สุดจะพังไปทางหมอเอี่ยไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันแค่นั้นให้ญาติพี่น้องเราให้พากันเห็น ถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลายยา ง, งูอัจรพิษตัวไร้ลายมันเดือยไปอยู่น่ยถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยก็นีนี่มบรรยากาศเราพอเราเห็นมันระวังมันอี่แต่ถ้าเรามาเห็นมันเดินเดินไปไปเหยียบมันก่อนจะมุดตัดเดินอื ม, อมชินที่ว่าสังขารนี่มันเสื่อมได้วจะเตรียมตัวไหวหาที่พึ่งวหวอะไรไหวนี่อ่าเป็นอย่างนัที่นี่เข้ามาวัดก็มีความหมายถ้าเรารู้จัก เห็นข้าวมาวัดมีความหมายหรอกมีแต่เอารถบรรทุกเอาลูกเอาหลานมาร้องในวัดเอออนะอืมอันก็เป็นอย่างเงินไปเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันแต่เป็นเด็กก็เล่นทำบุญเก้งเต็มเต็มเลปฏิบัติให้นั่งจะมาที่ยังไนไม่ได้หรอฮะไม่ได้ไม่ได้จะมากราบพระทำวัดส่วนโม่้ยกวดหลังกวดเอวไงเออไอพวกทำวัดเออไปนั่ง สูบบุหี่กันอยู่โ น, โ น, รบรบน้นรอบๆฉลาญบุหรีในที่กว่าสูบอนั้นในรายที่เรามาทําอะไรมาวัดเมื่อญอาติโยงเขาทำมาค้นจะมากราบมาไหว้พรอยมณีมาอมะลล่างธรรมมาสมบูรณ์โภกกวาจะทุ่งเารไม่เห็นเลยไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบทาบุญชอบเอาเข้าวปลาอาหารมาเรียงซะเส ม, มือนแต่เรียงเขานั่นแหละลูกศิษย์พระลังเขาจมวรวรรอคนไทยที่ชอบทาบุญกันแต่ไม่ชอบปฏิบัติ อาจจะมาเอาใจฟังอ่ะคุณถูกฟังเขานะอืมแต่อยู่กับเขาที่ปฏิบัติมาพวกเอาบอกเขามานั่งสามสิบสี่สี่คนฉันฟังมานังนั่งครับเข้านั่งสมาธิเลยอศีลอย่าฟึ่งไปว่ามันเลยพวกมึง น, นอกมันไม่รู้จักศีลจักรารรหรอกมันไม่รู้จักอะไรมันรู้จักใจใจมันร้อนพิธีการของเราเี๋ไปประกาศศาสนามึง น, นอกไปพิธีทำให้จิตมันสงบสนนันนิกนมันจะค่อยๆรู้เรื่องไป ไอ้พวกเรามันมีหาความสงบไม่ได้มันหาแต่เรื่องกินกันอยู่บ้านแไปกินตัดมาวัดออกมาเลี้ยนกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาล้างเทถ้วยไปจานอะไรกินกันแล้วแพร่ออกไปกันท้หมดท่านเห็นเออคนไทยีก็ดีชอบทําบุญแต่ไม่ชอบปฏิบัติ <c oughs> นั่งสมาทีไม่ได้ไม่ได้ถึงนาทีหรือกลัวจะเจ็บปวดคือมันไม่ชอบเอยไม่เคยทําเรียวกว่าไปเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้น ไม่รู้จักถ้ามันทุกข์เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเจ็บจะไปคล้องไขถทารุกหรือจะไปแก้ตรงไหนคืออยากเจว่ามาเห็นมันทุกเฉยแ่นั้นนด้ไหมมาให้มันทุกข์ไม่รู้จะทางแก้ไขมันเนี่ยน่าจะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนถึงวันแก่อืวันแก่แล้ววันเจ็บเนี่ยมันจะตายแล้วภาษาโบราณเขาบอกว่า เมื่อมันเมื่อมันเจ็บมันไข้มาจวนใน ร, าาร่มไม้ใจจักราให้เขาไปเ้าไปไปใสของผูคนแก่กระชิปอ่ะบาปพุทโธพุทโธพุทโธมันจะเ อ, อะไรพุทโธเนี่ยอืมคนมันนอนในกองไฟมันมจะพุทโธอะไรนี่นเริ่มแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มอืมเป็นสาวอายุรุ่นทุ่นทําไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้อืมหายใจ ติดบ้างไม่ติดบ้างแม่แม่คุโธ่คุโธ่ลองคานจะตายไปแล้วนหนิจ่ว่าอะไรอีกจะว่ามันเหนื่อ ย, ยอย่าไปว่ามันเหนื่อยมันหลายเรื่องโยมนะเอาแค่นั่นได้มันสบายอยู่โยมก็ชอบไม่ง่ายชอบแต่ต้นกับปลายมันเป็นอย่าต่างมันเคยเอาแล้วชอบแต่อย่างเงินตลอดบริษัทบริวารพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งญาติทั้งโยมสมเหือนกันเท่นั้นชอบแต่ทําอย่างนั้น ไม่รู้จักแก้ไขภายในจิตทั้งเจ้าของไม่รู้จักที่พึ่งของเราจะะโตรธง่ายแล้วก็อยากหลายเพื่ออืมทําไมคือคนไม่มีที่พึ่งทางใจเ น, นี่ย อ, อือยู่ในคราว่าครอบครัวกันยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็กําลังแรงก่นอนพ่อว่านแม่ว่านจะคอยพูดพูดดูเรื่องกันหนกในห้าสิบปีขึ้นไปจะพูดไปดูเรื่องกันนะเดี๋ยวก็นั่งหันหลังใกันเนาะแม่ว่านพูดไปพ่อว่าน ฟังไม่ได้พ่อว่านพูดไปแม่ว่านฟังไม่ได้ได้แยกกันหันหลังให้กันเองไอ้คนนั้นครอบลูกชายคนนี้คนนี้ครอบดูหญิงคนนั้นเลยแตกกันเลยฮะอันนี้อาจารมาเล่าไปเราไม่เคยไม่เคยมีครอบตัวทําไมไม่มีครอบตัวคืออ่านครอบตัวมันก็รู้แล้วว่าครอบคืออะไรเนี่ยครอบเขามันก็คืออย่างนี้เรานั่งเฉยๆอะไรมาครอบลงเนี่ ถ้าเรานั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเรานั่งไม่มีอะไรครอบก็ขอโทนได้ถ้าเรานั่งเข้าอะไรมาครอบลงมือีเพียงว่าครอบแล้วมันจะเป็นยังไงครอบก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเป็นอย่างนั้นมันมันมีวงจํากัดแลยกขาดครอบผู้ชายก็มีวงจํากัดผู้หญิงมีวงจํากัดแล้วครอบนอาจจะมาไปอ่านขึ้ว่าครอบตัวอ้ยน่าแกลบจับตายจับนินไปเจอจับมินเด่นครอบครอบสัตว์ที่ว่าครอบนี่อืมอ่าจับทุกี ให้ไม่ได้มันมีวงจํากันเนี่ยต่อไปค ร, อ, ค ร, รอบครัวอ้าวนี่ครัวสมัยเป็การขู่กลวนแล้วยทิ่มแทงแล้ยนะโยมผู้หญิงเคยเท้าตัวไหมเคยเคยโขลกพริกไหมเคยขั้ว พ, พรวพิกแห้งไหมไอจามกันทั้งบ้านไหมแต่มันมันมันพุ่นนี่เข้าไปครัวไม่น่าอยู่หรอกสับโน้น ส, น, นสับนี่วุ่นนี่ครัวนี่เรียกว่าสับแบบครอบครัว อาจจะมาอาศัยสองสั์นี้แหละถึงวัไปสิกครอบกลัวหน้าตัวถังถังไว้เอาอะไรไปคอบไว้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้น้ํำบาครัวไม้ตะไคร่ทิ่มแทงเดือดลูกบักเดือดเงินเดือดทองบงั่งเดื่อดเงินแล้วอพยพยังมันทิ่มแทงเนี่นนะ่ะนะไม่รู้จักจะไปที่ไหนมันถูกไปแล้วลูกหญิงต้งมีลูกชายต้งมีจะไปถกหอว อ, อะไรในยวุ่นในนั่งเถียงกันอย่านั้นแล้วจนตายหนึ่ง ไม่ต้องไปที่ไหนล่ะเก็บใจขนาดได้ทำไมว่าน้าตามันไหลนี้ออกมาไหลอยู่นั่นแล้วเออมันไม่หมดน้าตาโยมครอบครัวน่ะถ้าไม่มีครอบครัวน้าตามันหมดแป้นถ้ามีครอบครัวน้าตามันหมดยากมันหมดไม่ได้อืถ้าโสดมาทุกวันดูทีน้าตาโยมมีไหมไหลมันเลยมันบีบมันบีบหน้าออกมามันต้องบีบอ้อย ตายแห้งๆมัตทีองค์มัเป็นน้ำไหลนี่องคมันไม่รู้ว่ามันจะไหนเนี่ยนี่มันเก็บใจมันแค็งมันสันว์พัดอย่างไม่รู้มันทุกข์ได้รวมทุกข์มันดีบออกมาเป็นน้าทุกข์อันนี้หฮโยมทางหลายทาใจเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะผ่านอยู่ทางหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างนั่นแหละในเล็กเห็นน้อยบางคนก็เต็มทีมันกันจะอยู่หรือจะไปนอกจะอยู่หรือจะไปนอก โยมผู้หญิงเคยมาหาหลวงพ่อหลว ง, งพ่อแหมถ้าอีฉันไม่มีบุตรนี่อีฉันจะไปซะแล้วเอออยู่นั่นแหละเรียนนี่มันให้มันจบซะก่อนเรียนอยู่ัรงนั้นนะเรียนอยู่ตรงนั้นอยากจะไปล่ะเอยากจะไปอยากจะอยู่นี่ขนาดนั้นมันก็ยังนีไม่ได้อยู่วัดประพง์วัดคํากติเรียกไปทั้งหลายเจ็ดปิดแปดปิดหลัง บางทีพระเนนมาบรรจุก็ไปเป็นเพื่อไว้สองสามหลังทางวัดกติเรายังเดือห์ไหมบกทีมีบ้างสองสาหลังออเออเตี๊ยไปเถอะบางทีพ่อว่านแม่ว่านเขาทะเลาะกันเอาไว้เขามานอนหน่อยหนึ่ง <c oughs> นแว น, น, น, นมงแวมาแล้วนนแนนนโยมผู้หญิงก็มาแล้วสะพายของมาโยมมาเจนไหนมากราดไอ้ฉันเบื่อโลกโอู้อยียาว่ามัาเลยอัตอมาตัวเหลือเกินผู้ชายมา เออผมเบื่อแล้วอืมนนแหละอยู่นั่นแหละมาอยู่จะซ้อวันบ้านก็หายเบื่อไปอีกแล้วเอ้ยฉะนั้นโลกอันนี้จะมาถช่วยวุ่นวายเลยมันมากรู้ละรู้ทนรู้ฝ่ายมันฉะนั้นจึงมาอยู่อย่างนี้จิงมาอยู่อย่างนี้อยมผู้หญิงมาก็เบื่อก็หกจาของยมผู้ชายมาก็เบื่อก็หกจากขอ ง, ง, มอของอมไม่มีเบื่อแล้วเดี๋ยวไปนั่งตกติเล็ก เมื่อได้นอแม่บ้านก็จะมาเรียกแล้วกกับน้อเมื่มนนอได้นอพ่อบ้านจะมาเรียก น, อ, นออะไรอย่างงมันเบื่อตายอย่างเงมันโกรธมาแล้วมันก็เบื่อหรอกอืมนีเ่เรียกแลกกับอย่แล้วเยมานั่งภาวนา น, นั่งมาเอออยู่ในบ้านเหีห้อะไรมันเขาผิดทั้งนั้นแม่บ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้นมานั่งภาวนาสามบานเออแม่บ้านเขาถูกเลยเราผิดไป เพ่อบ้านเขาถูกเราผิดแน่มันจะกลับมันเป็นเงินมันเปลี่ยนตัวเองเข้ามาในเงินนี่มันก็ไปเลยเท่านั้นแหละอันนี้ความจริงเป็นเง้นนะอันนี้ความจริงของอาตมาหลักโยมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็นไม่รู้แต่มีเวลาที่มันจะสบายนิดหนึ่งนะดูดีๆเถอะดูดีความเป็นจริงจริงในครอบครัวที่เราหาเข้าไปในบ้านน่ะเป็นของหน้าตัวทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นของอีกหนึ่งเป็นของน้ากรัวมีลูกชะคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเมื่อมันเด็กๆเราก็พูดมันไษาเมื่อมันโตขึ้นมานิดหนึ่งแม่จะพูดกับมันอายว่านเขาเว้ยค่อยๆพูดขึ้นบันไดที่นี่มันลงไปทางนั้นอีสักเดือนขาพูดกับมันดีๆก็ไม่ได้พูดจะพูดแรงก็ไม่ได้อืออายก็เลยอมมันนั่นหละมันเก็บมันปวดอยู่นั่นแล้วมันเสียดมันแทงอะอยู่มันไม่ได้ยังไงล่ะเราก็เป็นอย่านลูกหลานก็ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าตกอยในครอบในครัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่านใจไหวันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านนะเอมเอาไปทําการบ้านฝากไว้ฝากนานๆเนี่ยนะ น, น่นานๆยกขึ้นมาเดีพิจนารณาอย่าทําไร่ทํานาทารว้วําสวนให้เอาคํำลงพ่อไปทีนาวัานนี้เราเกิดมาทําไมเอาย่อยๆเกิดมาทําไมมีอะไรเอาไปไหมถามเรื่อยๆนะอืมถ้าใครถามนี่บ่อยๆมีปัญญา ถ้าใครไม่ถามจะของอย่างนี้งูตรงนั้นนะอ่ะเ้าใจไหมเอาละวันนี้นะอืมเพียรหลายมนคนก็เหนื่อยละ่ะว่าเราก็อยู่กลนั่งหลายคนเหนื่อยสัสารนั่งตายนี่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มเอาไปพิจารณาดูนะอะไรมันควรจะพิจารณาก็เอามันไปอะไรควรจะทิ้งต้เอาน้วังครอบครัวสองศพนะศพครอบอนหนึ่งับครัวนหนึ่ง จองสับเนี่ยมันสับตายเทเร น, นนะระวังดีๆ น, นะไม่เจ็บอย่าไปเพลินนะไม่ใช่สับเพลินนะสับทุกนะครอบแคบนะจนครอบมันมีวงจํากัดอืเมื่อครอบปุบเอาอะไรไปแทงไปทิ่งไปแทนสบายแล้วหนึดูอย่างงี้ก็ง่ายๆไม่ต้องมากไม่ต้องอยากนี่แหละภาษานี่เนี่ยภาษามันอยู่นอกคัมภีร์มันอยู่นอกภระไตปิฎกแต่ว่ามันอยู่ในพระไตปิฎกแ่ะแต่คนไม่พบมัน ไปเปิดสไกิโรกไม่เห็นไปเปิดทัาทีไม่เห็นนี่สั์ของอจมาหลอกจับสมาถานมาาะครอบครัวครอบหมายถึงวงจำกัดครัวหมายถึงการต่อกรนทิ่มแทงเท่านี้อยู่ไปก่อนดูไปอีกให้ยงจำไห้ทุกคน บางทีที่มาฟังธรรมมาเนี้กแต่ไปถึงบ้านอาจจะพบเย็นเยนดีกว่าเนะเยน็นเย็นอาจจะพบอะไรไม่นานไม่นานนะมันเกิดทุกวันถ้าเรามีสติอยู่มันมันจะรอรออยู่นั่นแหละนะนะบางทีเรามาฟังธรรมยืนอยู่เงียบมันมันลอยรถถึงเมื่อเราขึ้นรถก็ขึ้นรถเวลาไปเลยเข้าไปแต่ถึงวันแสดงอาการขึ้นมาขนาดไหะอ๋อหลวงพ่ออาจารย์ามจริงของท่านนะมั้งนี่ตาไม่ดีไม่เห็นนะ มันต้องดูโดยตาทิพย์ตาเนื้อมันก็จะเห็นนักงั้นคอยจะเห็นเนี่ยอ้าวถ้าละประกันตั้งบตังแต่แล้วเอาไปคิดคิดพิจารณานะให้มันรู้จักให้มันรู้จักช่างมันมีงวงมันมีงามันมีขามันมีหางมันหลายอย่างจะไปคํำถือขามันนี่ว่าช่างมันก็ไม่ได้จะไปคำเอาใจหางมันนี่ว่าช่างมันก็ไม่ ชางคือของทั้งหมดมันจึงเป็นช้างอะนะอันนี้เอาให้เป็นการบ้านของโยมคุณหญิงคุณตายทุกคนเนอะเรียมนเราอยู่เรากําลังประเชิญในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่อยู่แผนถ้าใครทานี่ายตาไปว่ามีเกิดเหตุบางทีกลับไปบ้านเย็นๆนี่ก็พบและพบละไม่มากก็ต้องน้อยลองดู ก, กันได้เอาอะไรบันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเือเป็นประโยชน์สอนนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนงต่อไปนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณ 70,000 คนที่จะไปศึกษาในมหาวิทยาลัยนี้อยู่มาจาัจวะป่าปัติกาชาทางศูนย์วัดที่อยู่ในเมืองค่ายในภาคอีสาน อะจะถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติในวัดป่าเรื่องกันอย่างไรกับปฏิบัติธรรมดาเรื่องวัดธรรมดา้าข อ, อ, อให้อธิบายสักหน่อยเรื่องสิน่นาลูกจะเดินสอนอเดิมวัดป่านี้ใน่ทช่ว่ามาตั้งปฏิบัติในปัจจุบันนี้ ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ อ, ออกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่าป่านี้เป็นที่สงกเป็นที่วิเวกสงบสงัดด้วยรูปเสียงข้างพวงและก็เป็นสถานที่สมควรบำเพ็ญสมณธรรมของพระศิษุสามเณรการปฏิบัติในวัดป่านี้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 ไม่เพูดเฉยๆทำให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระพุทิเจ้าในวัดปานี้ห่างบ้านประมาณยี่สิบห้าเซนเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณระตุกายวาจาศรีดงขวัตคือข้อปฏิบัติเป็นคัดเพื่อวันเท า, าเิีิตทั้งหลายือลาคะ โทสะโทอ่านี้ให้น้อยไปน้อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อปิดใจสุกแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดป่านั้นเป็นที่สงบระงับ จากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสถานที่สมควรที่จะบาเพ็ญให้ธรรมะให้บรรลุธรรมะเกิดขึ้นได้ขอขด ม, มุ่นให้หลงพออธิบายสักหน่อยเรื่องวัดประโคงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราเรามีดวัดประโคงกับชาอบ้านวัดป่านี้ มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากกับชาวบ้านวัดป่านี้เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายให้เป็นผู้ระความเห็นผิตให้มีความเห็นชอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงดะรูการวันพระก็มารวมกันที่วัด ถวายอาหารยินสบาดแล้วจะทำรูโบโสดิ์ศีลแนะนำคำสอนเพื่อให้ฟังให้เข้าใจในลักษณะพุทธศาสนานี่คืออะไรประชาชนบางจำพวกก็เหมือ น, นกันกับทางชาวยุโรปนี้เพราะว่าไม่ได้ยินคำสอนของพระก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้น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 แบง่งบายมีเมตตาตระณาโมติตาผูา้เบคกขาชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อรับความแนะนำสอนของพระวัดปาแล้วก็มีความยินดีมีความตระหนปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทำสมฐานํำระจิตใจ ให้จิตใจมั่นคงในคุณงามความดีข้อตนนั่นเองบางครั้งศึกษาถึงสมัยก็มีแสต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาศึกษาโิษณาเรื่องข้อประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนพระเนนหกสิตเจ็บสิบองจะนีก็รับอุปถัมประถาจากชาวบ้า การยินทบาทครันเพียงทีพไม่ลําบากตอนเชา้าก็เที่ยวยินทบาทตามชาวบา้านชาวบ้านก็ให้อาหารยินาบาททุกทุกจนพอขันไม่ลําแบาบกและเป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติไม่ให้เห็นแก่ตัวแก่ตนทาประพฤปฏิบัติอย่าง เป็นประจำส่วนพระศิษยสุธมเนรก็ประพฤติทำดีในที่เราเรียนมานั้นไม่เคยเลี่ยงเฉ ย, เยมาปฏิบัติให้รู้ให้เอ็นแนะนําสัสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงค์การยินทบาทเลิกขันยินตบาทก็มีการสันยินตบาทมือเดียวขันในบาทรไม่ขันนอกบาท มีอาหารทุกสิ่งสารพัดอย่างก็รวมรงในบาตรใหญ่รู้จักประมาณพออินไม่ให้มากไม่ให้น้อยอย่างนี้ทุกองค์ทุกวันด้วยตอนเย็นก็ลงสวดมนต์ตามประเพณีของชาวพุทธสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งรมาสาสนประมาณ ตีโมงคึถึงสองโมงนอกนั้นตะออบรมคอวัดปฏิบัติพระธรรมนินน่ในเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในคำที่ควรรูควรเห็นการปฏิบัติของพระวัดของสภานั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั้นจะต้องให้เป็นนาคอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนหนุ่งขาว พอสมควรแล้วประวัติเป็นสามเณรให้เป็นสามนเณรอยู่ศักดิ์รรษาหรือสองพรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วก่อนแล้วทิมอุปับฐากินงพระพิสุในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อปติตาในทีวนะัดทีวัดแนหนองตะโพงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัจจัยสี่ทั้งหลาย ที่ญาติโยมถวายมาในทางทิศสาโนทิศทั้งหลายนั้นไม่เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมส่วนพระเนรที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ออ่ใช้เฉพาะพ อ, พอดีพอดีเท น, นั้นไม่เว้นเกี่ยตัวมากเป็นคนมัดน้อยเป็นคนแผ่นดดยินดีตามมี้ตามได้อืมในเอกลาศที่มันเกิดขึ้นมา เเรื่องอยมอมชาพุ่เมืองไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไรในการปฏิบันะติพุทธศาสนรนะเพราะว่ายมจะได้ยิยนว่าสมัยนี้คนไทยเพิ่มากเกิดว่าถ้าจะปฏิบัติจะต้องหัวใจพระแล้วลมอค่าเป็นภาระเป็นห น, น้าที่ของคระแล้นั้นแตเพ็ยที่ยมทํทาท่านั้นคือถวายานรามีคนเคยได้ยิยนว่าคนไทยเพิมากก็คืออย่างนั้น อ, า, อาเอเยอร์ลูนะฮซึ่งวันนี้ในเมืองไทยคนไทยมีศรัทธาปฏิบัติธารมปฏิบัตินะนะเรื่องมีธรรมเป็นตระเท니เรือ่องเห็นว่านาดีของเขาเองคือถวายทานแค่นั้นเพราะว่าปฏิบันิตลอดอันนี้เป็นบางส่วนในนี้ก็เป็นบางส่วนโดยมากในเมืองไทยนี้ ก็เรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันไปโดยมากโดยมากอยากจะมีแต่การให้ทานอุปถัมภ์พระให้ทานแต่มันก็เสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีทิ่ททีดีจองมากขึ้นถุกวันนี้จินๆ น, นั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่ง ย, ยังยั่งยืนอยู่ในข้อบปฏิบัติจริงๆอันนี้ก็มากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาคือคคการปฏิบัติสมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ก็ในการประพฤติปฏิบัตินี้ เขาก็เห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติเยอะเป็นผู้อุปสมบทาช่วยเครือภูนบำเพ็ญผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมากในวันพระมียอมบายวัดมีคยอมยอมที่บายวัดในวันพระเ่อมากบายวัดเพื่อจะปฏิบัติทนทุกข์บายพานิานเรื่องบายวัดเพื่อเป็นสุขภินีของคนตายที่จะ ไม่วัาทวายทานตังเทตในวัดนั้นเป็นย่างไรเปบางคนบางคนที่มีปัญญาชอบปฏิบัติเพื่อจะให้ไปนิพานเสียผทุกข์เข้ขใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเ uh huh. อาหาความสุขกันมันเีคนสองจำพวกอันนี้เออเออีคนสองจำพวก ก็ความเป็นจริงนั้นก็เขาอยากจะพคนทุกข์ถึงพระนิพพานเหมือนกันแต่คนที่มีปัญญาก็มุ่งไปถึงพระนิพพานปฏิบัติบางคนก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันมันก็ไม่แปร ก, กันกับนักศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย ก็จะสอนให้ขยันมานเรียนสอนให้ต่อพืชปฏิบัติ ด, ดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใส่ในการเรียนในการปฏิบัติ บ, ตบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุ่มก็เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามให้ทุเรื่องตามความประสงค์ของตนเองจะได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้ชาวพุทธแท้ที่แท้จริงคือภาคพิูุหรือรอะไรก็เป็นอย่างไร ชาพุทธอย่างแท้จริงเป็นยังไงชาพุทธอย่างแท้จริ ง, งก็คือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นเครื่อหัดอย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไปตรงมาแล้วอนั่นเรียวกว่าชาพุทธไอ้พวกที่เรียว่าชาพุทธแต่ใทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ไม่ใช่สินชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่ชื่อเฉยๆเยอะเงือัอยู่ที่วัดากระบัตบอย่างไรนันสมานที่นานนานทลอะไรกันปฏิบัติเสร็จแ่นนสมาที่มีปฏิบัติแบบอยังอื่นมีไหมขอปฏิบับติแบระวัดบางรนั้น ยี่สิบการปฏิบั tn ั้นบาง้าติจะมารวมเป็นกลุ่มยี่คิบโปร์สามสิบโปรสี่สิบหีสเจ็ดสนเสร็จอันนี้จะเป็นเพียงรวมเพื่อชุดคนใหม่ๆยังไม่รู้ยี่สิบารจะมารวมกันเป็นกล่มอย่างนี้ส่วนหนึ่งที่นี้ก็เนื้อแยกกันแล้วให้โอกมา ทำในส่วนตัวจะทําเวลาไหนก็ได้แต่ทําเป็นส่วนตัวอืขึ้นชายเวลามามเป็นกลุ่มกันจะเป็นสลุ่มเมื่อเร็วแต่แล้วจะเป็สนส่วนตัวทำอย่างนี้วิถีทำของวัดของพระองคนน์นะคือให้เป็นคนกินน้อยเป็นคนดินน้อยเป็นคนนอนน้อยเป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดี ต่ตามมีตามได้ไม่ให้ ว, วุ่นวายที่การปฏิบัติกันทุกเรองจะ ส, งสอนปฏิบัติเองนะและวิีการสอนปฏิบัติเองตัว น, นี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเป็นเื่องอุกรที่จะปฏิบนะัตินั้นนอกจากนั้นไปแม่จะดูแลไม่มีผลจะให้โอกส า, อ า, าสออคือโดยคำที่ว่าไปตรงนี้ก็คือมีบามีจีวออกไป แล้วองค์สององค์ไปตามป่าตามภูเขาไปอยู่ตามป่าท่าอยู่ตามป่าไม้อยู่ตามภูเขาสร้างสังฆเพื่อจ่มาจิตคือศึกษาตามธรรมชาติสอนให้รักษาธรรมชาติสอนให้รู้ของธรรมชาติและบารีธรรมชาติแม่ธรรมด้ตัวนี้เกิดิตของเรา เมื่อจิตของเราเป็นพอุทธธรมชาตแล้วมีความเอียดเที่ทยงหลาเส้นไม้กินชาพิหญ้ามันเหมือนกตเราไนะได้คเรืออย่างนี้ในปัญเราเองการปฏิบัติในรัดะงร์นั้นเมื่อเราดีแล้วไม่มีผลก็ให้โอกาสออกเชี่ยวสุดง มีบาปมีกิริยออกเที่ยวจงไปอยู่ตามธรรมชาตคตามภูเขาตามป่าชักคือไหนสงนจะเป็นสิ่งนั้เพื่อจะปิจารณาอันนี้ให้ทัดทีขึ้นสอนในรักธรรมชาตสอนในดูธรมชาติ้า้ธรรมชาิจิงจิงจี่ศึกษาเฉินธรมชาพนั่นเกิดขึ้นแล้วมันจะทรงอยู่ แร้วมันกรดับไนธรรมชาติช่นนั้นยุดที่สงบไปรเรืเ่นนอยๆเปรียเทียบามนุษย์ในนี้กป็ น, นมันคนเนาะมีควาเปวดคิดแล้วและประสงตัวกันอยู่เรื่องกระดาษไปอย่างนั้นอันนี้นทุกวันจะมันมีจังศึกทั้งนาคาอย่างนั้นหยุดกระดาษทิ้งโดยมากพระสมถานพระสดฆ์ยู่นี่เนยมากไม่ได้ศึกษาตามหนังสือ ไม่ได้บทเรียนความหนังสือเลยนะเรือนอาการที่นันเือในจิตนี่คนระับความจริง อ, อ, อย่างทขาเขียนว่าอันนั้นเป็นนะไมไ่รู้ว่าชื่อนั้นจะเฉยตัเดินไปดูมากจริงๆอันนั้นเขาว่าเสียความตัวหนังสือเพราะปฏิบัตินี้นออสองศึกษาต้องเดินไปดูที่ตัวเสียจริงๆ อ่านหนัล้มนึนไปดูตั้งแต่นมาทุกนิตย์หันเหตตทุกนิตเมื่อเหทุกแล้วมันจะในสรงารทุกข์ข้นมาเลยนะถ้าอ่านตามหนังสือไปเห็นว่าทุกเส้าใจมันในทุกมุขมันเรื่องตัวทุกถ้าไปดูว่าที่สังษารัดเรื่องตัวทุกเมื่เหตุทุกจะเลิกมันเรืงที่นี้จะเิกมัน้างตามหนังสือนี้โดยมากไม่ถึงใจเห็นว่าเป็นทุก ก่อเ่องจิตใจสุดเก็นไมเป็นในรื่อติทยถ้าปัญหานี้นจึกษอย่างนั้นจึกษาันั้นมันจิตจิดเงียเลยในทางวิทย่ทางายทางร่ายจารต่อไปวันนั้นต่อไปแล้วนี่เรียกว่าจิตใจงบควอมเวลานีความทุกเนี่ยทุกเป็นอะไรถ้าเราเรื่องทุกข์จะเริ่มมาความทุกเออ เรื่องทีทุกคนยังไงมันเป็นเร่างเร้าเพราะว่าเราไม่รู้จักกันยังไทุกคนยังไงเคยมีทุกไหมหรเป็นยังไงฮะเคอเออเออใช่แล้วไปถนมขดีไรู้จักอันนี้มันมีอ่ไ้ทุกมีอยู่แล้วเราจะไปถามขดีดีไม่รู้ตัวเราไปยังไม่รู้ว่ทุกเป็นยังไงมีทุกอยู่กันยังรู้แต่ว่าทุกเป็นยังไงอันนี้ เป็นปัญหาที่จะต้องถามในเจ้าของเพาว่าเจ้าของป็นทุกวแล้วเร่องปฏิบติการคจับาอธิบายในความทุเป็นอ่งนี้เนยนี้แล้วก็อธิบายว่าเป็นให้รทุกเป็นอย่างนี้ปอย่างนี้แมมีเรือจะเทุกข์เมี่อเรากะจาของเราถ้าเรายกขึ้น พลาดอก็ทุกข์เหตุที่น่นผลอย่างนี้เหตุที่โ น, น่นผลางนี้อะไรเป็นเหตุเป็เจ็ทุกข์เพราะตาหน้ามีมันแตกเราไม่รู้ตาหน้ามีตามเป็นจริงอืว่าตาหน้ามีของม่แตกเมื่อมันแตกแล้วมันเป็นทุกข์เพราะประยุทธทุกเกิดเพราะเราประยุทธ์อั น, อ น, นี้ว่าเป็นของเราเราเข้าใจว่านี่เป็นของเรานี่เราเป็นเจ้าของ เมื่อเมื่อน้ามันแตกไปใครทุกเราทุกข์ด้วไน้ามันทุกเเป็นเลยทดูร่ทุ์ะทุก์อี่ทุกแตุ่เอรือพักอเมื่อมันอยู่ตรงนี้มันทุกเกิดตรงนี้ดับทกกิดับตรงนี้ เหตดนี้ทุกในใจมีคือผลอันนั้นเป็นเกิดเหตุตรงนั้นผลเกิดตรง น, นี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให่ยึดมั่นถือมันไวเป็นของจริงจังทางเจ้าของและทางของของเราพระพุทธเจ้านั้นมันตางกันกับศาสนาอืน่นเพราะมีคาสอนเรืองอนัตตาไม่มีเรือ่องมรรคกก็ย้อนอยากเรอรู้ในออนัตตาเนี่ มีความหมายอะไรเพราะว่าถ้าเราทำอะไรนาะทีของเราเราทำงานเราทำอะไรใครเป็นคนทำอะไรเป็นคนทำงงานาอะไรเป็นคนชื่ออะไรเป็นคนกินข้าอะไรอย่างนั้นถ้าไม่ถ้าอะไรทั้งหไม่มีตัวไม่มีเ้น อ, อะไรเป็นคือสร้างเลยอะไรเป็นคือทำงานอะไรเป็นคืออยู่ในเลือ่อง <pied. S 1> นีรร้อ <enfim. S 2> ตอวตนนี่อัตตาอนัตตานี่เป็นเป็นคมอธิบายยากมาก ค่อยๆตัณฑ์มาในอนัตตานี่อนัตตานี้เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างคนใหดเดริญได้ดีมากอนัตตานี่ทำงานสบายมากทําอะไรสบายมากอนัตตานอนัตตานี้มันเป็นสับที่อยู่เหนือโลกเป็นสับที่อยู่เหนือโลกเลิกฟังไม่ออก เพราะเป็นรับโลกุตละสับสป็นสับสีเหนโลกฉะนั้นการจะรู้อนัตตานี้จะรู้จะต้องรู้เหตุการปฏิบัติถ้าเราไปคิดอนัตตาเฉื่อยบรือสีสามมันจะแปอนัตตานี้เป็นสัสี่เหนือโลกวันนี้นะผู้ที่ฟังก็คงไม่เข้าใจจริงแต่ว่าเข้าใจพอเล่า เพราะว่าอนัตจานี้มันจะไม่เข้าใจเพราะคนอพูดในฟังเนี่ยอ่าอนัตจาอยู่ตรงนี้อาตามันติดอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นอาตามันติดอยู่จะต้องเจอแบบนี้เป็นอ น, าานาัตจาความไม่รู้จามจนจริงแล้วิดอยู่อย่างนี้มิดอยู่มองไม่เห็นใบล่างแต่กระดูนเนี่ยใบข้างล่างดูว่ามันหนึ่ง เพราะอะไรเพราะอันนี้มันติดอยู่นี่แก้วเปิดแล้ว น, นี้ออกมีแก้วอยู่ใบหนึ่งตรงนั้นถ้าอันนี้ติดอยู่แล้วกมองดูนี่มาเห็เราก็ไม่คอยใจเรามีแก้วอะไรอยู่ข้างล่างนี้เพราความไม่รู้ว่าติดอยู่ข้างบนนี้ถ้าเราพูดไปพูดจะปฏิบัติตามที่จริงปัญญาเสนอขึ้นแล้วไม่ันจะเหมือนเปลือกเป็นเดียวกันทั้งสองสองอย่างนี่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตานี่เป็นอนัตตา อย่างนี้อนัตนั้นนั่นก็เป็นอนัตตาอยู่อนัตตาอยู่แต่อัตตามันติดอยู่ถ้าโยมเห็นอนัตตาแล้วโยมจะไม่พุกงจะมีความสุขก็ไมนหลงจะมีควทุกข์ก็ไม่ห ง, จ ะ, ง, งจะได้ขอมาก็ไม่มีใจของน่าจะหายไปเป็นรือทุกในเสียใจ อันนี้เรามัเห็นาอนัตจานี้แบบมีสุขทุกอารมณ์สุขก็สุขอารมณ์เป็นทุกข์ก็ทกนี่เพราะมัเป็นอันนี้ก็เพราะว่าอนัตจานี้ไม่ใช่ตัวตนเราไม่มีตัวตนเราแต่เราไปจับอนัตจามานเป็นตัวตนเราถ้าว่าตัวตนอะไรจริงๆนี้ไม่เหนมันเกิดได้ไหมไม่เหนมันเสีได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ทำมันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ตัวส ้าตั ว, วต้เ่งเมอย่างนี้ยาเติมไปอย่างนั้นอ้นอยู่อย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่แต่ตัวนเราอันนี้ก็าอาจะ น, นะมันจะ